เป็นในที่ปรชุมครัวันที่ยี่สิบสองราคมสองพันห้าร้อยห้าณวัดป่ามัานตัจังหวัดอุดรธานีเราบวกมาในพระสักนะจะออกมาจากตะกินใดก็าตามพื้นทราบว่า เข้ามาสู่ตระกูลเรียกว่าสาขยัตระกูลคือตระกูลแห่งกรัพย์พระองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านสเสด็จออกจากสาขยัตระกูลทรงสละ้าะสมบัติ ทุกๆชิ้นแม่ที่สุดคู่พระบรารมีคือพระชายาของพระองค์ก็าตามพระโอรสซึ่งเป็นเหมือนอย่างดวงหัไทยของพระองค์ก็าตามยอมสล ะ, ะทั้งสิ้น เพื่อพระอนิตระสัมมาสัมโพธียาอาการที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงสเสด็จออกตั้งแต่เบื้อง ต, ต้นจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้านั้นในระยะทางที่พระองค์เจ้าผ่านไปล้วนแล้วตั้งแต่อุปสรรคที่พระองค์จะทรงฝ่าสิน ทุกๆ ก, กรณีทางเดินแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์เดินไปด้วยความลำบากผูไม่มีความภาคความเพียรจริงๆเลยไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากหมึ่ห ง, งมานไปได้ บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นจิตของพระพุทธเทจ้าพระองค์ได้ดำเนินไปอย่างใดรงเป็นผู้มีจิตใจมุ่งหวังอย่างมั่นคงเพื่อก้าวไปตามรอยพระบาทแห่งพระองค์คำว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโน ญายปติปันโนสามิปติ ป, ปนโนพระคววโตสาวกสังโฆล้วนแล้วตั้งแต่พระองค์ทรงวางร่องรอยไว้เพื่อให้บรรดาสาวกทั้งหลายเดินตามจึงจะสมชื่อสมนามว่าสาวกสังโฆ คือเป็นสาวกของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจริงๆคำว่าสาวกแปลว่าผู้สนับสนับทั้งทางตาสนับทั้งทางหูคิดทั้งทางใจวันหนึ่งวันหนึ่งไม่นิ่งนอนในความที่จะคิดหาเหตุผลเพื่อระวังสังรวมผลให้เป็นไปเพื่อความ เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเพื่อความสงบแน่วแน่เป็นลำดับไปเพื่อปัญญาหาความรู้ความฉลาดใน ต, ตนของตนไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าสาวกของทศกุมีพระภาคเจ้าไม่ได้บัดนี้จิตการงานของเราทั้งหลาย ได้ละแล้วตั้งแต่วันอุพัสมก็หมดเข้ามาในศาสนาจิตบ้านการเดือนซึ่งเทราวาสเขาจัดทาดีประจำวันเราได้ละมาเสียทุกประการไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับจิการทั้งหลายเหล่านั้นมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีด้วยกาย ปฏิบัติดีด้วยวาจาปฏิบัติดีด้วยใจผู้ชุบปฏิปันโนเป็นผู้ครงต่อทางปรัสรู้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจญาณะเป็นผู้มุง่งประสงค์ข้อความตรัสรู้ซึ่งเยยยธรรมอยู่ตลอดเวลาสามีจีเป็นผู้งามอยู่เสมอในอาการแห่งความเคลื่อนไหว ของกายวาจาใจทุกเอรียบทไม่ให้มีการตำหนิความเคลื่อนไหวของตนว่าเป็นไปในทางที่ผิดหลักของพระธรรมดีห น, นึอันเป็นเหตุที่จะให้เคลื่อนท่าจากทางความเป็นสาวกของสมเด็จพระพระุทาเจาา นายทาทั้งสี่บทนี้เป็นคุณสมบัติของบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีถ้าเคลื่อนจากหลักธรรมะทั้งสี่ประเภทนี้แล้วแม้จะโกนผมโกนทีนุ่งผ้าเหลืองก็ไม่เห็นแตกอะไรกับพรวาดเขา เพราะฉะนั้นพึงสำนึกตนเส ม, มอว่าบัดนี้เราเป็นนักบวชมุ่งเฉพาะต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพะภาคจ้าไม่ได้มุ่งต่อโลกามิตริใดๆทั้งนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่ง ใจของเรามีความสงบสี่ครั้งมีความเยือกเย็นสบายหรือเดือดร้อนภายในใจถ้าใจเดือดร้อนก็เพิงทราบว่าขุมนรกอยู่ที่ใจของเ่ะถ้าใจมีความเยือกเย็นเพิงทราบว่าสันติธรรมเริ่มจะปรากฏขึ้นแล้วที่ใจของเรา ให้เกว็ดกรองตัวของตัวอยู่เสมอการประกอบความภาคความเพียรอย่ากำหนดเว ล, เวลาให้กำหนดสติสัมผัสกับทาที่เรากำหนดไว้เสมอไปอย่าให้ขาดวักขาดตอน ถ้าสติเผลอเมื่อใดถพิงทราบว่าความเพียนได้ผ่านไปแล้วเมื่อนั้นเพราะความเพียรไม่ขึ้นอยู่กับการเดินการเดินการนั่งการนอนแต่ขึ้นอยู่กับสติหรือปัญญาถ้าเรามีสติประคับประคองจิตใจข่องเยาอยู่เสมอรู้ความเคลื่อนไหวของใจตนเองทั้งที่จะเป็นไปในทางที่ผิด และที่ถูกคือว่าเป็นผู้มีความเพียรความเพียรหมายเช่นนี้การเดินเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนนั่งนอนก็เช่นเดียวกันเป็นโอสตร์อันหนึ่งซึ่งจะรับษากายของเรานีไว้ให้ถึงอายุขัยหรือให้มีความสะดวกสบายภายในธาตุขันของเรา แต่เรื่องของใจที่จะให้ชื่อว่าความเพียร น, นั้นต้องขึ้นอยู่กับสติและปัญญาเป็นของสาคัญสติคือความระลึกหรือรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาคือความสอดส่องมองดูเรื่องซึ่งมาสัมผัส จากภายนอกเข้ามาสู่ภายในหรือความเกลีเยื่อมของใจเราที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้มีความรู้สึกอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าความเพียนไม่ได้ใครเล่าจะเป็นผู้ทรงพระสัทธของพระพุทธทเจ้าไว้ นอกจากเราซึ่งเป็นมกขวดและเป็นแนวหน้าแห่งบรรดาชนทั้งหลายแล้วไม่มีใครจะสามารถในโลกนี้ถ้าลงสมณะไม่สามารถที่จะยังมรรคนิพพานให้เกิดขึ้นได้ด้วยครอบปฏิบัติเพราะความท้อใจหรือเพราะความเกียจข้าแล้วาศาสนาก็ล่มจมไปท่านั้นไม่มีใครจะสามารถทรงไว้ได้ เพราะเราซึ่งเป็นนักบวช ด, ด้วยและเป็นนักปฏิบัติที่โลกเขาให้ชื่อว่ากรรมาฐานด้วยแล้วยิ่งเป็นของจําเป็นที่สุดซึ่งเราจะถึงสํานึกตัวของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมฆบุ ร, รุษเราจะประโยชน์ตลอดที่ยาบทและเสียรัตุปัจจัยพยาทานที่ชาวบ้านขอให้มาวันหวัน ด้วยความตะเกียบตะกายหามาแต่ละครั้งและครั้งที่จะได้ให้ทานแต่ละหนรู้สึกสึก่าเป็นความลำบากลำบนไม่น้อยให้เราระลึกตัวของเราเสมอว่าเวลานี้เราเป็นนักบวชและเป็นลูกศิษย์พระธากศพพระธาคตนั้นเป็นผู้มีความองอาจราหารต่อเหตุการณ์ ทุกอย่างทั้งที่เป็นฝ่ายชั่วและฝ่ายดีเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้อดทนต่อความลาบากกรากรมทุกทุกอย่างซึ่งจะมาพะเพื่อนมากพระองค์เจ้าไม่เป็นผู้เกียจคร้านไม่เป็นผู้นอนตื่นสายไม่เป็นผู้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความพ้นทุก อยู่ตลอดเวลามีหลักที่จะเป็นพระพุทธทเจ้าท่านทรงไว้ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้และความจะเป็นผู้รู้ผู้ฉล า, าดจะตามร่องรอยแห่งพระองค์เจ้าได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้เหมือนกันในช่ยจะทรงไว้ซึ่งความเจ็บครรภ์ความเห็มแก่ปากแก่ท้องความมาักง่ายความนอนตื่นสาย ความเห็นแก่ตัวโดยถ่ายเดียวนี้ไม่ใช่หลักธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ให้เราทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้การพิจรารณาใครกำหนดเรื่องอะไรเคยพิจารณาเรื่องอะไรตั้งใจพิจารณาให้เห็นชาต ในส่วนแห่งธรรมที่ตนพิจารณาหรือกาหนดเอาไว้นั้นยาเป็นคนไม่มีหลักหรือเป็นคนลอยลมหาหลักฐานยึดเหนี่ยวไม่ได้สติตั้งลงที่กองไหนยอมเป็นธรรมขึ้นมาที่กองนั้นถ้าไม่มีสติไม่เป็นธรรมทั้งวันทั้งคืนสติเป็นของสำคัญสำหรับความเพียร ให้ถึงทราบเอาไว้ใจจะปล่อยให้มีความสงบโดยลำพังตนเองตลอดวันตายจะไม่ปรากฏผลให้เราทั้งหลายได้รับตามธรรมดาของใจย่อมมีเครื่องหุ้มห่ออยู่เสมอเครื่องหุ้มห่อของใจนั้นท่านให้ชื่อว่าสิเรสไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากที่ไหน นอกจากจะเกิดขึ้นจากใจของตัวเองเท่านั้นและการฝึกฝนทรมานที่จะทำตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบหรือมดหมดพยศในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องอาศัยเป็นผู้มีความภาคความเพียรพยายามดูจิตใจของตนเสมอถ้าส่วนใดเป็นทางชั่วต้องฝืนใจละเสมอไปจนกระทั่งละได้เป็นลำดับ ถึงกับละขาดไม่มีอนไรเหลือจิงรบกวนเหล่านั้นจะไม่มารบกวนจิตใจได้อีกต่อไปเมื่อเราละได้เด็ดขาดแล้วการที่จะทำตัวของเราให้พ้นจากอุปสรรคต้องมีการฝืนบ้างเป็นธรรมดาไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกหรือไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ใดๆที่ท่านปรากฏชื่อดูนามมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่พาฝืนอุปสรรคด้วย ก, กันทั้งนั้น โคกเขาก็ทราบแล้วว่าเป็นอริยสัจถ้าเราไม่พิจารณาให้เห็นทุกข์แล้วเราจะหลีกเล่นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนสมุทยัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ความปรุงของใจความปรุงของใจนี้โดยมาก ถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วต้องปรุงไปในทางที่ถั่วเสมอไปทางที่จะสั่งสมกิเลสให้มีหรือให้มากขึ้นภายในจิตใจเสมอเพราะฉะนั้นอุบาวิธีที่เรากําหน ด, ดจิตใจซึ่งเรียกว่าภาวานานี้จึงเป็นแนวทางที่จะแก่สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจของตนเองให้ค่อยหมดไปเป็นลำหนับ ในเมื่อไม่สงบยังไม่เห็นคุณของพระศาสนาแม้ตัวของเราเองก็ไม่เห็นว่ามีคุณค่าแต่อย่างน้นต่อเมื่อเราได้ฝึกฝนทรมานจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบแล้วนั่นแหละจึงจะเห็นว่าธรรมะเป็นของมีคุณค่าพระศาสนาเป็นของประเสริฐแม้ตัวเราเองก็รู้สึกว่าจะเริ่มเป็นผู้มีคุณค่า เรื่อยๆไปการพิจารณจาจิตใจเป็นของสำคัญหน้าที่ที่เราจะละถอนสิ่งที่เราได้สั่งสมไว้นี้เป็นกิจการสำคัญที่สุดยิ่งกว่ากิจการใดๆและความเพียรก็เช่นเดียวกันเพียรพยายามจนได้เห็นเหตุผลในสิ่งที่พัวพันจิตใจของตนกําหนดดูให้ชัด ตาเห็นรูปจะต้องเกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจหูฟังเสียงก็เช่นเดียวกันแล้วคลี่คลายดูสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เห็นทัดนดจับด้วยปัญญาท่องหลับจิตใจเมื่อได้เห็นสิ่งใดทัดด้วยปัญญาแล้วจะยึดถือด้วอสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นๆต่อไปอีกไม่ได้จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นทันที มีการปล่อยวางต้องปล่อยวางด้วยสติกับปัญญาถ้าไม่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องแก้ไขแล้วใซ้ใจจะไม่มีวันพ้นจากทุกไปได้เกิดมาชาตินี้เราก็มีทุกขนาดที่เรารู้ดีด้วยใจทั้งหลายเฉพาะในวันนี้ก็รู้อยเช่นนี้วันหน้าก็ต้องเป็นเช่นนี้ ชาตินี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ชาติหน้าไม่ต้องสงสัยว่าใครจะเป็นผู้ทุกข์เพิ่งทราบว่าใครเป็นผู้สังสมกองทุกข์หรือเหตุให้คนเกิดทุกข์เอาไว้ผู้นั้นและเป็นผู้ที่จะได้เสวยทุกข์ในวันนี้วันหน้าชาตินี้ชาติหน้าเป็นผู้ที่จะเวียน่ายตายเกิดในว่าตาสงสารรับความทุกข์ความทรมานดีไม่รู้กี่กับกี่กัน เป็นหอนทางที่ยืดยาวมากจนไม่มีใครสามารถที่จะนับอ่านได้ว่าทางจากต้นทางคือคําเกิดในบางส่วนถึงปลายทางที่สุดคือวิมตธผนิผ่านนั้นระยะทางได้สักกี่กิโลหรือได้สักกี่มันไม่มีใครสามารถที่จะวัดได้เพราะเสตุใดเพราะทำไมชาิอันนี้ เป็นธรรมชาติของวัตตะคือหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะวัดให้เป็นไม้ให้เป็นกิโลไม่ได้แต่การพิจรารณาก็ต้องพิจารณาตามลักษณะของวัตตะที่มันหมุนอยู่รอบตัวนี้ถ้าใครพิจจรณาวัตตะซึ่งหมุนอยู่รอบตัวอันเกิดกับใจนีอยู่เสมอแล้ว ผู้นั้นและจะเป็นผู้แก้ไขวัตะที่ตัวหมุนอันนี้ได้ออกจากใจจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่ท่านเรียกว่าพระนิพพานขึ้นที่ใจตวัวดวงนี้เองหลักสำคัญมีอยู่ที่ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาอย่าเห็นแต่ความพอแท้อ่อนเอชสติเมื่อตั้งไว้กับ อาการอันใดอาการอันนั้นจะเป็นธรรมอบรมจิตใจหรือเป็นธรรมเครื่องเยียวยาจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบสมอปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อกําหนดลงในสภาวธรรมอันใดเราจะต้องรู้อุบายต่างๆจากสภาวธรรมนั้น เป็นลําดับไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นสติกับปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นที่สุดในพระศาสนาการทำความภาคความเทียนไม่เห็นปรากฏในจิตใจว่าเป็นไปเพื่อความสงบนี่ขึ้นอยู่กับความเป็นผู้มีจิตล่อย เดินก็เดินไปอย่างนั้นนั่งยืนนอนก็ไม่มีความจำเพาะเจาะจงกับสติและปัญญาความสงบของใจจึงเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะการปล่อยจิตใจของตัวเองให้ไปเป็ น, ปนไปตามอารมณ์นั้นเราละบายหรือปล่อยไปอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยยับยั้งหรือหวงห้ามบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่กรอบแห่งสติสตัตปิตหรือเข้าเข้าสู่กรอบแห่งสติและปัญญาหาเราเป็นผู้บังคับจิตใจของเราให้อยู่ในบทธรรมบทใดบทหนึ่งหรือในอาการแห่งกายทั้งหมดจะเป็นอาการใดก็ตามด้วยสติและน้ามด้วยปัญญาหมายถึงมาผูกไว้ด้วยสติ แล้วล่ามไม่ด้วยปัญญาให้เทียยู่ส้นาพางร่างกายอันนี้ชัว่วสั้นยาวก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของเราที่จะพิจารณาได้ลึกซึ้งอย่างละเอียดแค่ไหนถ้าเราพิจารณาอยู่เช่นนี้แล้วไม่นานจะเป็นไปเพื่อความสงบจะเป็นไปเพื่อความผ่องใสเป็นไปเพื่อผู้บายแยกใคยเป็นลำดับไป แต่นี้เป็นเพราะเหตุใดการปฏิบัติมาก็ออกเป็นเวรานาจึงไม่เห็นปรากฏว่าความรู้ความวิเศษได้เกิดขึ้นภายในใจของเราให้เราทั้งหลายทราบเสียในวันนี้ว่าสติกับปัญญาของเราไม่ตั้งโดยเจตจำนงจริสิตั้งไว้ชั่วขณะวินาทีหนึ่งแล้วให้สูญหายไปเสีย เป็นเวลาตั้งชั่วโมงเมื่อเป็นเช่นนั้นรายจ่ายกับรายรับมันไม่เพียงพอกันรายจ่ายมากกว่ารายรับพึงทราบว่าคนนั้นจะต้องลมจบมีการจอยจิตใจของเราให้เป็นไปตามอำเคูอของวตะกับการรักษาจิตใจของเราด้วยสติขปัญญา ให้เป็นไปเพื่อทางมิมาตานั้นมีจำนว น, นน้อยมากกว่าการปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามกระแสะของมัตะเพราะฉะนั้นใจของเราจรึงไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความชลี่ให้พากันทราบไว้เดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นจะเกิดความไหลๆต่อไปอีกวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ต้องบุญกับเรื่องอะไรทั้งนั้น ให้ดูตั้งแต่หน้าที่ของตนดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวแห่งใจของตนเองเรื่องของครูบาอาจารย์หรือหมู่เพื่อนไม่ต้องถือว่าเป็นภารนะที่เราจะต้องเปล่งตัวหรือที่เราจะต้องกระหารหรือที่เราจะรับอารมณ์อันใดจากท่านคิดอย่างใรท่านต้องสอนอย่างนั้นแนะนำแนะนำในทาง ผูกและบอกในทางผิดเส ม, มอไปให้กำหนดดูตามเรื่องที่ท่านสอนไว้เท่านั้นอย่ามาถือเป็นอารมณ์อารมณ์สาคัญ ท, ที่สุดให้ดูความเคลื่อนไหวของใจซึ่งเป็นตัวอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่เช่นั้นแล้วจะเป็นไปเพราะความสงบไม่นานแล้วเสียไปวันหนึ่งวันหนึ่งหลายวันต่อหลายวันก็กลายเป็นหลายเดือนขึ้นมา หลายเดือนต่อหลายเดือนก็กลายเป็นหลายปีขึ้นมาชีวิตจิตใจนับวันสั้นเข้าทุกวันผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากงามความดีก็มีเพียงนิดหนึ่งเท่านั้นไม่สมกับว่าเราเป็นลูกัาถาครัปรากฏตัวในวงของทศนินม หลักความจริงมีอยู่ในกายในจิตแล้วเราก็กําหนดสติกับปัญญาลงในหลักแห่งกายและจิตนี้ทำไมจึงจะรู้ไหมนะ่ะกายกับจิตเป็นธรรมที่รับรอง หรือเป็นธรรมที่ควรแจกสติปัญญาอยู่แล้วตั้งแต่การไห น, ไหนพระพุทธทเจ้าพิจารณาดูกายทุกขึ้นทั้งที่เป็นส่วนทุกข์ทั้งที่เป็นส่วนอนิจจังทั้งที่เป็นส่วนอนาาัตตาเหตุใดจึงมีความเชลี่ยฉลาดสามารถรู้แจ้งด้วยปัญญา ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้เราตายพระพุทธเจ้ากับกายของเราไม่มีความแตกต่างกันแต่ส่วนหนึ่งสติกับปัญญาของพระพุทธเจ้าก็คือความฉลาดอันเดียวกันมีแต่ว่ากว้างแคบหรือเลือกตื้นต่างกันเท่านั้นเหตุใดพระพุทธเจ้านำสติปัญญามาพิจารณาค้นคว้าในกายนี้ รู้แจ้งหุนจริงในสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้เราส่วนพวกเราทั้งหลายสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ด้วยกันเหตุใดจึงไม่ปรากฏผลขึ้นเฉพาะตนของเราเ่าเรื่องของทุกจะเป็นทุกทางกายก็ตามทุกทางใจก็ตามประกาศอยู่แล้ว ทุกขณะซึ่งผู้มีสติกับปัญญาจะต้องสะเทือนอยู่เสมอในความทุกข์ที่มาสัมผัสระหว่างจิตของเรากับทุกข์และกับสติและปัญญาซึ่งเป็นของมีอยู่ในสภาพอันเดียวกันหรือมีอยู่ในที่แห่งเดียวกัน เหตนใดจึงจะไม่สามารถรู้ได้ในสิ่งที่มีและไม่มีนี้รับแต่อย่างไรด้วยทุกจะเกิดขึ้นในอวัยวะส่วนใดก็ตามจะรีรับไปจากจิตผู้รับรู้ไปไม่ได้จะเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามก็จะรีรับจากจิตผู้รับรู้ในทุกท่านไปไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าเรามีสติ คอยกำหนดดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดเจนไตรตรองดูด้วยปัญญาถ้าเห็นชัดว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดและเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทุกข์นี้เป็นเราหรือเราเป็นทุกข์หรือ อ, า, อาวุธส่วนใดส่วนหนึ่งในตายนี้หรือว่าทั้งหมดเป็นทุกข์ หรือใครเป็นผู้กำหนดหรือหลงตามทุกนี้เราถ้าเราใช้ปัญญาอยู่เช่นนี้เรื่องความแยบพายอันจะเกิดขึ้นจากใจของเราหรือเกิดขึ้นจากปัญญาของเราจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรลร่ะมีก็เพราะความลอยลมของใจนั่นเองไม่ตั้งเป็นหลักเป็นฐาน มีความกลัวต่อเรื่องของทุกข์ <Okay. S 1> จึงไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นทุกข์แล้วคว้าเอาสุขขึ้นมาเป็นสมัตของใจได้ทุกข์จะเกิดมากเกิดน้อยจะตั้งอยู่หรือดับไปให้เพ่งทราบว่าทุกข์ก็คือทุกข์นั่นเอง ผู้ที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์และผู้ที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงของทุกข์ก็คือเรื่องของใจกับปัญญานั่นเองทำความเพียรมากี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วเห็นปรากฏผลเหมือนหนึ่งว่าธรรมะ ซึ่งเป็นของจริงไปเที่ยวลี้ลับตีตามถ้าตามเหวไม่ได้อยู่ในกายในจิตของเราเลยปลานั้นมีจริงในน้ําสมบัติมีจริงในแผ่นดินแต่ที่เราไม่ได้ปลามาไว้หรือสมบัติมาไว้เป็นสมบัติของเราข้อนี้ขึ้นอยู่กับเรา สมบัติในพระศาสนาเริ่มต้นแต่สีและสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติพิมุติสมบัติและดิมมติยานัทสนะสมบัติสมบัตเหล่านี้ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติแต่ละรายซึ่งเป็นผู้มีความสามารถหนักเบากว่ากันอยู่บ้าง ผลจะพึงได้รับจึงมีความเดือมล้ามต่ำสูงไปตามความหนักเบาแห่งเหตุที่ทำไว้แต่ละลายเราวผู้บวชมาในพระศาสนาปรากฏเป็นลูกพระตถาคตเต็มภูมิในคำว่าสากยบุตและเป็นผู้สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าของแห่งโลกุตตระสมบัติเป็นชั้นๆขึ้นไปในธรรมท่านกล่าวไว้ว่า โสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสกิทาคามะสกิทาคาผลและอรหัตตมักอรหัตผลสมบัติทั้งหมดนี้รวมลงในวิบุติญาณทัศนสมบัติอันได้แก่นิพานสมบัติสมบัติในพระศาสนาซึ่งอยู่ในวงแห่งสวขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัดไม่ชอบแล้วและเป็นนิยานิกรธรรมสามารถนำสัต ผู้มุ่งดำเนินตามพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำหนับถ้านักปฏิบัติผู้มีนามว่าถ้านักบวชผู้มีนามว่าปฏิบัติยังไม่สามารถทำตนให้เป็นผู้สมควรแกทําเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้สมควรในธรรมของพระองค์เจ้าดาัเพราะสมณนะผู้เป็นนักบวช เป็นผู้ใกล้คิดต่อพระองค์เจ้าทั้งความเป็นผู้มีจิตุระเครื่องกังวลน้อยทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินก็สามารถจะทำได้ตามแบบที่พระองค์ทรงดำเนินแลเพราะย่างยิ่งผู้อยู่ในปา่าซึ่งเป็นที่สงับิเวตลอดเวลาด้วยแล้วจะเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่ในทางความเทียมเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุต และวิมุตติยณนณทัศนสมบัติให้เกิดขึ้นเป็นขั้นๆตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดเพราะศีลและธรรมทุกขั้นจะเป็นไปเพื่อความหมดจุดทองสายได้ตามขั้นโดยมากย่อมอาศัยการอยู่ในที่สงัดปราศจากผู้ชนทั้งเครือหัดและบันกิด เราจะเห็นได้จากพระพุทธเจ้าและสาวกพาดําเนินมาปรากฏว่าท่านเห็นภายในการคุกครีดและติดการที่จะให้เกิดความข้งบนและเป็นค่าสืบต่อสมรรธรรมเพื่อความอยู่สบายในพิจารณร์ของพระองค์และสาวกท่านในขณะเดียวกันทรงเห็นคุณและส่งเห็นเสริญในความสงัดมากเพราะฉะนั้น ในพริยาบททั้งสี่ของพระองค์เจ้าแหล่สาวกจึงเต็มไปได้วยความเพียรในที่สงัดทั้งนั้นธรรมะชอบเกิดในที่สงัดถ้ายังไม่สงัดทั้งภายนอกและภายในใจธรรมะก็ยังไม่เกิดเมื่อความสงัดทั้งสองได้ปรากฏขึ้นในท่านผู้ใดเพิงทราบมาธรรมเริ่มปรากฏขึ้นในท่านผู้นั้น คือสีนก็เริ่มบริสุทธิ์สมาธิก็เริ่มปรากฏขึ้นมาในใจเป็นชั้นๆ ข, ของสมาธิปัญญาก็เริ่มไหวตัวขึ้นมาในขณะที่สมาธิเริ่มปรากฏเป็นชั้นๆ ข, ของปัญญาตามแต่ผู้บำเพ็ญจะเร่งตามความปรารถนาของตนโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขีดขวางเพราะปราศจากสิ่งที่มากาอกวนให้จิตเอนไปสู่ความขังวนในอารมณ์ที่ มากระทบนั้นๆนเมื่อสรุปความแล้วธรรมะชอบเกิดขึ้นในที่สงดัดและในเวลาอันถนัดแม้ผู้ทรงธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ชอบประทับอยู่ในที่สงัดตลอดเวลาหากจะมีอยู่บ้างขอสมัยที่พระองค์ทรงทาหน้าที่พระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวโปรดเวนัยสัตเป็นบางการเท่านั้น ที่ทรงเห็นสมควรจะทรงอนุโมผ่รผันเพื่อเวในยผู้ควรจะได้รับประโยชน์จากพระองค์เมื่อเสร็จพุทธกิจแล้วก็ทรงดงดทันทีไม่ทรงท่เพื่อเหมือนอย่างสามันชนทั่วๆไปบรรดาเราทั้งหลายที่โลกให้นามว่ากรรมฐานหรือนักปฏิบัติจะควรสำนึกตาม สำนึกตนอย่างไรบ้างถ้าต้องการพุทธะที่บริสุทธิ์และฉลาดไว้ครองหัวใจก็ควรดัแรดแปลงจิตใจกายวาจาไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินจะ ก, กลายเป็นสาวกที่บริสุทธิ์ขึ้นมาที่ดวงใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยถ้าชอบประดิษ์เรื่องของธรรมลามกขึ้นกรองหัวใจ ก็จะเห็นนอกลู่นอกทางไปว่าธรรมะชอบเกิดในกลางตลาดเกิดในถนนสีแ้งเกิดในชุมนุมชนคนมากเช่นโรงวิเกลละครโรงภา พ, พยนต์วิทยุและโทรทัศน์เหล่านี้ให้โลกเขาได้รำลือว่าเป็นกรรมฐานอีกเพราะมีในตาข้างเดียวหมดความมันไหมแม้เขาจะเอากระดูก มากแนขนคอเป็นพงพวงก็ここเห็นว่าเป็นการประดับเกลียดนี่ทาลามกชอบเกิดกับความคิดเห็นอันลามกเช่นเดียวกันแม้จะไม่แสดงออกมาภายนอกจนเป็นของหน้าเกลียดก็ตามแต่แสดงความพอใจอยู่ภายในใจของผู้นั้นก็เป็นของหน้าเกลียดเช่นเดียวกันขอให้เราทั้งหลายจงทราบไว้อย่างนี้แล้วดัดแปลงกายวาจาใจของตน ให้เข้ากับหลักธรรมของพระองค์ลงธรรมสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายพยายามละกิเลสตัณหาอวิชชาที่เป็นตัวคาบติดแก่เราอยู่ตลอดเวลาอย่านอนใจในอิริยาบถของตนจงพยายามส่งเสริมอบรมสติและปัญญาอันเป็นเช่นกับดาบไว้ให้เพียงพอจะได้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาศวะ ซึ่งเป็นตัวค่าศึกและกฎสีบงังคับจิตใจของเราอยู่ทุกขณะให้สิ้นศูนย์ไปในวันหนึ่งจนได้ผู้ใดอยู่ในอิริยาบถด้วยความมีสติและปัญญาประจำตมตลอดเวลาผู้นั้นแลจะเป็นเจ้าของสมบัติอันเลิกคือมรรคผลมิผนในชาตินี้ขอย้ำอีกครั้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียในวันนี้ว่าการบเาเพ็ญธรรมทุกๆข่าน สติกับปัญญาเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะขาดไปเสียไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวเพราะสติกับปัญญาเป็นธรรมเครื่องตื่นและรอบรู้ดูกับความเพียรขณะที่อารมณ์เกิดขึ้นจากภายในหรือผ่านมาจากภายนอกสติกับปัญญาจะต้องทำหน้าที่ต่ออารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องอ อารมณ์ที่มาสัมผัสใจแทนที่จะเป็นข่าสิเลยกลายเป็นคุณไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญารู้เท่าทันการตั้งสติเริ่มเป็นของจำเป็นแต่วันเริ่มฝึกหดภาวนาเราจะบริกรรมทมบทใดมีพุทโธเป็นต้นจงตั้งสติเข้าใกล้คิดต่อทำบทนั้น ในลักษณะเอาเป็นเอาตายจริงๆผลจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาไปจับใจโดยไม่่วงเวลาให้เนื่นนานผู้ปฏิบัติโดยมากที่ทำเวลาให้เสียไปโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ภายในใจเท่าที่ควรก็เพราะความนอนใจไม่รีบเบร่งตักตวงความเพียรด้วยสติและปัญญาในเวลาอ า, ายุพรรษาอย่างน้อย ปลอายใจไปตามกระแสโลกจนได้ความสำนึกในหน้าที่ของตนและทำตัวในลักษณะขายก่อนซื้อซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดประเพณีทั้งทางโลกและทางธรรมกว่าจะรู้สึกตัวเวลาจริงสายไปความจริงผู้จะเป็นพ่อค้าเขาลงมือซื้อในราคาถูกแล้วจึงเริ่มลงมือขายในราคาแพงพอจะเป็นผลกำไร ภาคครองชีพและกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปผู้เจริญในทรัพย์สมบัติเท้าทำกันอย่างนั้นทางธรรมะเล่าพระพุทธเจ้าก่อนพระองค์คจะเป็นครูสอนโลกปรากฏว่าได้ทรงพยายามพุทโธท ร, รมานพระองค์มาจนเต็มที่บางครั้งถึงกับสลบสลายหมดความรู้สึกในพระองค์ก็มี ซึ่งไม่เคยมีประวัติของสาวกหรือใค ร, ใครจะสามารถทำได้เหมือนอย่างพระองค์และทรงทำอย่างนั้นมาโดยไม่ลดละความพยายามเป็นเวลาถึงหกปีไม่มีใครทราบมากพระองค์จะเป็นหรือจะตายในเวลาใดรับความทุกข์ทรมานเช่นนั้นดีจนถึงวันตรัสรู้ความเพียรไม่เคยขาดวากขาดตอนในส่วนพระองค์เลยนี่เรียกว่าทรงกระทา ประโยชน์ส่วนพระองค์ให้สมบูรณ์ก่อนแล้วจึงทรงทาหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมาแม้สาวกเมื่อได้สดับทำจากพระองค์เจ้าแล้วก็มุ่งหน้าต่อความเทียมแสวงหาที่สงัดเพื่อกำจัดวิเลธาศวะออกจากใจโดยไม่มุ่งในโลกามิษฎใดๆเป็นผู้เห็นภายในความ เกิดตายท่ำๆทักๆอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเพราะความเพี่ยนกล้จึงเกิดจากซึ่งเกิดจากใจที่เห็นภัยในทุกมาจนเพียงพอแล้วประคองสติปัญญาให้เป็นไปในการในจิตอยู่ตลอดเวลาในอิรยาบทไม่ลดละก็สามารถถอดถอนพิเดศภาสวะออกจากใจได้ด้วยส ม, มุดฉิดประหารถึงผิีพานทั้งเป็น ในขณะนั้นนี้เรียกว่าสามก๊กทำประโยชน์ของตนโดยสมบูรณ์แล้วจึงเริ่มทาประโยชน์เพื่อโลกเท่าที่ควรและเพื่อเป็นการช่วยพุทธภาระให้เบาลงบ้างนี่คือแนวทางของพระพุทธทเจ้าและสาวกทรงนำนูนมาไม่ได้ทรงทาในลักษณะขายก่อนซื้อหากว่าจะทรงทาในลักษณะเช่นนั้นแล้ว อย่างไรก็ไม่ได้เป็นศาสตาของโลกแน่ๆ แ, แม้สาวกถ้าไม่ดำเนินตามพระองค์ที่ทรงดำเนินมาก็จะเป็นสาวกอรหันขึ้นมาให้โลกกราบไหวและถือเป็นสาระที่สามไม่ได้เหมือนกันแต่การสงเคราะห์กันและกันพอประมาณจัดเป็นสามีกิกรรมในทางโลกและทางธรรมไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างใด นอกจากจะทำจนเลยเถิดลืมหน้าที่หรือการงานของตนไปเท่านั้นกอบรรดาเราทั้งหลายจะดำเนินแบบไหนเพื่อสามีกิกรรมในทำขั้นสูงขึ้นไปเริ่มตัดสินใจของตนเสียแต่บมัดนี้เดี๋ยวจะสายเกินไปถ้าเราจะถือพุทธทางธรรมังสังขังสานังคามิให้ถึงใจจริงๆ ก็ควรรีบตามพระองค์เจ้าด้วยข้อปฏิบัติและฝึกหัดจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบแห่งสติและปัญญาอย่าปล่อยให้กิเลสตาสวะชุดลากจิตใจของเราห้ามศีรษะเราไปต่อหน้าต่อตานักเลยรีบเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรตามยื้อแย่งจิตมาจากกิเลสียมั่งไม่เช่นนั้นจะหมดเนื้อหมดตัว ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในความเป็นสมณะสิ่งที่เหลือจะมีแต่ทิศะล้นโลนซึ่งไม่เป็นของแปดกใครทําขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่าพากันประมาทเห็นว่ากิเลสเป็นของดีและเป็นของมีประมาณ น, อน้อยความทุกข์รมันทุกย่อมยากที่เป็นไปอยู่ในสัตว์แส่งขานทั่วไปจนทนไม่ไหวก็แตกและตายกองกันอยู่เต็ม โลกให้เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาก็เพราะสาเหตุมาจากกิเลสทั้งนั้นเป็นปินกรักดันให้เป็นปัอย่าเห็นว่าเป็นมาจากอะไรจงรีบปลุกสติปัญญาที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นตามแย่งจิตมาจากกิเลสให้จงได้เราจะเป็นอยู่หลับนอนเป็นสุขสมกับความเป็นสมณะซึ่งเป็นเพศที่เย็นของโลกเขาได้กราบไหว้บูชาทุกวัน ้นกล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อสติกับปัญญากํากับความเพียรจิตจะได้รับความสงบสุขไม่เนิ่นนานเมื่อใจสงบลงได้แล้วจงเร่งความเพียรตามแต่ถนัดในบทธรรมของตนด้วยสติจนเป็นความสงบได้ทุกโอกาสที่ต้องการเมื่อจิตถอนขึ้นมาจงเริ่มพิจารณาโดยทางปัญญา โดยถืออาการของกายเป็นที่ต้องเที่ยวของปัญญาในอาการของกายเราจะพิจารณาไปหมดหรือเฉพาะแล้วแต่จะริดชอบไตรตรองดูส่วนแห่งกายลงในไตรลักษณ์ใดมากน้อยแล้วแต่ความถนัดแต่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาเป็นใช่ได้สติเป็นของสำคัญมากอย่าให้พลัง้งเผลอ ได้ทุกเวลายิ่งดีจะเป็นเครื่องหนุนทั้งสมาธิและปัญญาให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วนักปฏิบัติผู้ดใดพยายามรักษาสติไว้ได้ผู้นั้นจะเป็นายได้เร็วในธรรมทุกขั้นแม้ความเคลื่อนไหวทุกทุกๆอาการจงทำสติให้เป็นพี่เลี้ยงอยู่เสมอจิตจะเหนืออำนาจไปไม่ได้เพราะบ์แห่งอำนาจมาสนา ที่จะทำใจให้พ้นจากทุกนายชาตนี้ขึ้นอยู่กับสติเป็นของสาคัญจงพยายามทำสติธรรมดานี้ให้กระายเป็นมหาสติขึ้นมาและจงพยายามทำปัญญาธรรมดาให้กระายเป็นมหาปัญญาขึ้นมาที่ดวงใจของเราเมื่อสติมีกำลังจนพอตัวแล้วเราจะเดินปัญญาพิจารณาแม้กิเลสจะหนาแน่น เหมือนภูเขาทั้งลูกก็ต้องทะลุไปได้โดยไม่ต้องสงสัยอาการของกายทุกส่วนในกองรูปเวทนาสัญญาทั้งขานและบิญญาพึงทราบว่าเป็นหินรับของสติและปัญญาให้คมกล้าได้เป็นมนุษย์เมื่อสติกับปัญญามีความสัมพันธ์อยู่กับอาการเหล่านี้ไม่ขาดมาขาดตนแเราไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่มีสติและปัญญา ทันานขมก้าขอจะให้ตั้งสติและคิดค้นทางปัญญาลงไปในสภาวะธรรมที่กล่าวมานี้ความสงบของใจแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและความแยกคายของปัญญาจากขั้นตำ่ำจนถึงขั้นสูงสุดจะปรากฏขึ้นกับใจดวงเดียวนี้อาสะวะซึ่งหมกหมักหมมอยู่กับใจมาเป็นเิลานาน จะต้องแตกทลายลงไปโดยไม่มีอะไรเหลือเช่นเดียวกับความมืดแม้จะเป็นของเคยมีมาเป็นเวลานานพอถูกแสงสว่างเข้ากำจัดก็หายไปในทันทีฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเบื่อต่อความเกิดตายช้ํา้ำสักษะไม่มีเวลาจบขึน้นจงรีบจับอาวุธคือสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับความเพียรอย่าลดละเราจะได้เห็นต้นเหตุที่ให้เกิด พบชาติขึ้นมาจนกลายเป็นป่าช้าของสัตว์และของเราขึ้นที่ใจดวงนี้ที่น่าขยักขยแงน่าสะดุดสังเวชอย่างเต็มที่ไม่มีความเห็นโทษใดที่เราเคยผ่านมาแล้วเสมอด้วยความเห็นโทษแห่งดวงจิตอันฝังยาพิษคืออวิชชาที่เป็นเชื้อแห่งความเกิดไว้ในตนจนนานหลายกับนับไม่ถ้วนเมื่อได้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาถึงขนาดนี้แล้ว ใครเล่าจะยอมกืนยาพิษลงไปสังหารตนทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่ายาพิษนอกจากจะสละัดทิ้งด้วยความเห็นภัยจนตัวสั่นไปเท่านั้นความเห็นโทษของมัตตกิจซึ่งอาบยาพิษหมดทั้งดวงด้วยปัญญายอมจะปล่อยวางทันทีโดยจะยอมทนถือไว้ว่าเป็นตนต่อไปอีกไม่ได้ เช่นเดียวกันเพราะโทษใดก็ไม่เทียมเท่าโทษของจิตที่ถูกอวิชชาเอาเหล็กแหลมปักหลังไม่แล้วปล่อยให้ระเหะรอร่อนไปตามพบน้อยพบใหญ่เกิดเกิดตายตา ย, ตายไม่มีใครจะมาตัดสินต่อยตัวออกจากคุกคือวัฏจักรนี้ได้เหมือนเขาปล่อยตัวนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้นเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเมื่อท่านได้พ้นไปแล้วจึงเปล่งอุทานคล้ายกับเป็นการท้าทายวัตจักรว่าในช่างเรื่อนคือตัณหาไม่สามารถจะสร้างเรือนคือรูปกายให้เราได้อีกแล้วเพราะช่อฟ้าคืออวิชชาเราได้ทำลายแล้วบัดนี้จิตของเราได้ถึงแนวซึ่งยิสังขานคือพระนิพพาน อุทานนี้พระองค์ทรงเปล่งขึ้นเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆส่วนพวกเราเมื่อไรจึงจะได้เปล่งอุทานเหมือนอย่างพระองค์ท่านบังหรือจะให้กิเลสตัณหาเปล่งอุทานเยอะอยันท้าทายเราทุกๆวันอวัยวะและสติปัญญาก็มีอยู่กับตัวของเราเราไม่เจ็บปวดแสบร้อน ในคํำ ย, ออย่อยยันท้าทายของกิเลสปัญหาบ้างหรือจะมัวนั่งฟังนอนฟังคํำ ย, ออย่อยยันของเขาด้วยความเพลิดเพลินจนดื่มตัวเป็นการสมควรแก่พวกเราซึ่งประกาศตัวว่าเป็นจิตของกระถาพุทเจ้าแล้วหรือจะควรแก้ไขปัญหากับกิเลสอาศวะอย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่ควรคํานึงและตื่นตัวด้วยความเพียร พระพุทธเจ้าและสาวกแก้ปัญหากับกิเลสซึ่งเกิดกับพระองค์อย่างไรบ้างจึงทรงได้ชัยชนะเราควรรีบนําวิธีนั้นมาแก้ไขกับกิเลสซึ่งเกิดขึ้นกับหัวใจของเราให้ได้ชัยชนะอย่างพระองค์จะสมนามว่าเป็นสิทธ์พระทาโคตแท้อันหนึ่งสติกับปัญญาซึ่งเป็นธรรมควรประดิษฐ์ขึ้นได้ในใจของพวกเรา จึงไม่ควรนั่งคอยนอนคอยสติกับปัญญาและมรรคผลนิพพานสาเร็จรูปมาจากพระพุทธเจ้าพระสาวกและครูอาจารย์โดยถ่ายดีสิ่งได้ที่สำเร็จรูปมาจากคนอื่นนำมาใชา้โดยเราไม่ฉลาดหาอุบายคิดทำขึ้นเองบ้างถึงคราจำเป็นขึ้นมาจะหาทางอาศัยคนอื่นไม่ได้เราจะมีแย่ไปหรือ เรื่องสติปัญญาตลอดมรรคผลนิพพานถ้าเราคอยรับเอาความสำเร็จรูปจากพระพุทธเจ้าหรือครู อ, อาจารย์มาเป็นสมบัติของเราโดยถ่ายเดียวม่ได้หาอุบายคิดค้นที่แพปลงขึ้นด้วยสติปัญญาของตนเองหากมีความจำเป็นซึ่งอาจากเกิดมีได้ทุกระยะการหรือเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเราจะคว้าหาทางไหนมาได้ทันท่วงที เพราะเราไม่เคยจเตรียมไว้แต่ต้นมือเราต้องยอมเสียเปรียบกับที่เด็ดและเหตุการณ์นั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยพันหนึ่งเพิ่งทราบว่าพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ไม่เคยชมเชยคนที่ฉลาดเพราะการท่องจํามาได้จากธรรมหรือสิ่งสําเร็จรูปมาจากคนอื่นโดยถ่ายเดียวแต่ทรงชมเชยบุคคลผู้มีสติ ป, ปัญญาอันคิดค้นขึ้นมาโดยลําพังตนเองและรักษาตนเองให้ปลอดภัย ด้วยความฉลาดนั้นเท่านั้นแม้อุบายวิธีที่จะทําศีลให้บริกจุดก็ดีทําสมาธิให้เกิดขึ้นก็ดีและอุบายทําปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อมรรคผลนิพพานก็ดีพระองค์เจ้าทรงตัดไว้พอประมาณเท่านั้นส่วนวิธีการหรืออุบายที่จะหาความยับคายต่างออกไปเป็นพิเศษนั้นเป็นความยับยบคลายของโยคาวจรแต่ละรายจะสนใจหาความฉลาดแก้ไขตนเอง แม้มาผลนิพพานอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับก็ควรจะทราบไหมว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างลอยลมคือปราศจากเหตุผลโดยไม่มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นกุญแจคือเครื่องมือสนับแก้ไขท่นทั้งหลายที่กล่ามานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงตระหนักใจในตนเองว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีธรรมคือหลักเหตุผลประจองค์ของศาสดา ไม่ทรงเอ็นเอียงไปตามกระแสแห่งความกดดันใดๆที่มาเกิดทบดำรงพระองค์อยู่ด้วยหลักธรรมตลอดมาแต่ต้นจนถึงถึงวันตรัสรู้ตลอดวันนี้ผ่านฉะนั้นพึงทราบหัวใจแห่งนักบวชของเราคือการพลีชีพทุกขณะลมหายใจเข้าออกเพื่อพระพุทธทเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์องค์พระเสด็จสุดของโลกด้วยความเคร่าหาน ต่อความเพียรในขณะเดียวกันองค์แห่งพุทธธรรมะและสังฆะที่บริสุทธิ์อันเป็นเครื่องตอบแทนจากพระศาสนาจะเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราแต่ผู้เดียวเป็นเจ้าของวันนี้ได้สแสดงสมบัติของมีค่าในพระศาสนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบจะได้ปราบกลื้มในใจใครจะปฏิบัติเพื่อเป็นเจ้าของแห่งสมบัตินั้ น, น, น ข้อนับมาสมควรแก่เวลาขา อ, อยุติลงด้เวลาเปลี่ยนตรงนี้